ผู้เห็นอมตะบทพระพุทธภาษิตยโยจะวัสสตังชีเวอปสั่งอมตะังปะดังเอกาห่างชีวิตังเซโยปะสะัสโตอมตะังปะทังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอธิบายความ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 อิติวุจติโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ 1. ส, สัพปะทิเศสนิพพาน 2. อ, อนุปาทิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ลักกิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่สองหมายถึงท่านผู้ลั ก, กิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขาดแล้วด้วยคําอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตาราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้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 ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุนยังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุขขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่า อาทาโรปาอารูปาจะสุขะลูกฆ่าประมุจติย่อมพ้นจากรูปอรูปสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุดมีรสเดียวคือรสเค็มฉันใดทำวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุติ ความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสรดกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชเวนารามทรงปราบรบนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้มีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์เงินทอง ประมาณแปดสิบโกดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นฐานไปหมดเศรษฐีเสียใจมากถึงกลับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและออกอุบายให้ว่าให้เอาสื่อลำแพนไปปูเข้าทีตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานทางนี้จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่า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 ถ้าเป็นชายหนุ่มพึงให้แต่งงานกับบุตรีของท่านท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศษฐีได้ทำตามคำแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนผอมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวัตถีนางไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่าคนอื่นๆเขาขายเสื้อผ้า น้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นเหตุฉฉนท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ฐานทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดโดยอาการลิงโลดอีสาโคจะมีกอบจะเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีฐานนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะายของตนมอบทรัพย์ทั้งหมดให้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 มีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนําให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระศาสดาทันทีทูลถามว่าทรงรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือเราพอรู้โคตมีพระศาสดาตรัสจะให้ทําอย่างไรพระเจ้าขา่านางทูลถามเธอจงไปลองที่ยวถามหามเมล็ดผักกาศกจิบมือหนึ่งแต่ต้องได้าจากเรือนที่คนไม่เคยตาย นางอุ้มบุตรเรียกขวาไปสู่หมู่บ้านเที่ยวถามหาเมเล็ดผักกาดบ้านที่มีก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่าในเรือนนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกเรือนบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้างสองสามคนบ้าง น, นางจึงคืนเมเล็ดผักกาดเสียบอกว่าทำยาไม่ได้นางเที่ยวไปโดยทนองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้าน ห า, มาเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเวชสรดใจว่าโอหนอเป็นกรรมหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็าตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดาทูลความทั้ปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมี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 เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากปีสาโคธมีขอบวชในาศาสนาวันหนึ่งเข้าเวรอยู่โรงอุโบสถนางตามประทีบนั่งมองดวงประทีบอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโพล่ขึ้นแล้วหรี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีบนั้นเป็นอารมณ์แล้วคิดต่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นระดับไปดังเปลวประที พูดถึงพระนิพพานแล้วอาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏพระศาสดาประทับนั่งที่พระคันธบุรีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้านางพรางตรัสว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดระดับเหมือนดวงพระทิตย์ถึงพระนิพพานแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นหยุดร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพาน ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวสัสสถังชีเวอปะสัางอมตังปะดังเป็นอาธิมีนัยะดังพร น, นามาแล้วแต่ต้น